กุญแจบอกอันนี้แหละจะพาแข็งแรงอันนี้แหละจะพามีโรคน้อยมีทุกข์น้อยมันเพราะนั้น ร, ร้อนเย็นจะเป็นตัวที่สําคัญที่เราจะมาใช้เป็นกุญแจในการไขลหัสตรงนี้นะครับเป็นกุญแจที่สําคัญคราวนี้กุญแจที่สำคัญอันนี้นนเนี่ยถ้าสมมติเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าอาหารอะไรร้อนอาหารอะไรเย็นแล้วอาการอะไรร้อนอาการอะไรเย็นนะะอาหารอาการร้อนเย็นเนเป็นยังไงนะผมจะขยายความลงไปตรงนี้ก่อบนะอาหาร ที่มีฤทธิ์อาหารที่มเย็นเนี่ยอาหารหรือสมนุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าอาหารอะไรร้อนอาหารอะไรเย็นสมนุนไพรอะไรร้อนเย็นเนี่ยเราที่เจะมาใช้รหัสของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็มาใช้รหัสนี้ไม่ได้อันนี้ต้องใช้องค์ความรู้ ข, ของแพทย์ทางเลือกมาช่วยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนไทยมาช่วยว่าจะช่วยอย่างไรจะรู้ได้อย่างไ ร, รว่ а าอะไรร้นอนอะไรเย็นอาหารหรือสมนุนไพรใดที่มีฤทธิ์เย็นนะครับ เวลากินเข้าไปนี่นั้นริ้เย็นนะเวลากินเข้าไปนี่มันจะปากคอชุ่มชุ่มปากชุ่มคอแต่แล้วถ้าดื่มน้ําตามมันจะดื่มน้ําตามแล้วไม่อร่อยดื่มน้ําตามไม่อร่อยอันนั้นแหละเรียกว่ามีริ้เย็นอย่างเช่นคนไปกินแตงเยอะๆกินสับปะรดเยอะๆซึ่งมันมีริ้วเย็นพอกินเข้าไปเยอะๆแต่ดื่มน้ําตาลเป็นไงไม่อร่อยใช่ไหมมันจะจืดจืดจางจางมันจะไม่อร่อย พราะว่าถ้ามันเย็นแล้วร่างกายมันจะสั่งระบบประสาทบอกเออเย็นแล้วไม่ต้องเอาน้ำมาเพิ่มก็เลยทำสั่งระบบประสาทให้ให้แสดงอาการระบบประสาทจึงแสดงอาการไม่ดูดดึงผักผักจืดจืดชืดชืจะเอาจะเอาจืดชืดจืดชืดเขาก็จะผักออกนั้งจืดเกินไปนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเราตรวจสอบได้ว่าอะไรที่มีฤทธิ์เย็นซึ่งมีลักษณะอย่างที่ว่านี่แหละนะครับเราก็กินอาหารที่มีฤทธิ์นั้นให้มากมากมากมากมากๆมากๆนะครับ ออกินอาหารท <PTSD> ี่มีฤทธิ homeland, ์เย็นนั้นมากมามากมากแต่เรียบร้อยเนี่ยจนเกิดอาการไม่สบายขึ้นอาการไม่สบายทั้งหมดนั้นเรียกว่าอาการเย็นเกินเราก็จดไว้สิพอออกกันเลยมางว่ากินแตงเยอะกินสับปะรดเยอะกินยาื้อแงเกินพอดีกินหอมแท้เกินพอดีกินผักบุ้มเกินพอดีกินบวบเกินพอดีกินไปจนมันป่วยจนมันไม่สบายดูแหละะอาการไม่สบายทั้งหมดจุดไว้เลยจดไว้เลยจุดไว้เลยจดไว้เลยจดไว้เลยเช่นอ่านได้ป่ะ เช่นจะอ่านให้ฟังว <t Öz ell großes> ่ามีอะไรบ้างอาการเย็นเกินอาการเย็นเกินส่วนใหญ่นั้นมันจะออกมาถ้าเป็นอาการไมง่ายนันจะเป็นท้องอืดหัวสื่อมือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นหนาวข้างในอะไรเงี้ยนะหนาวสั่นตรงนี้ยนะครับมือชาตามมือเท้าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอาการเย็นเกินถ้ามีอาการนอย่างนี้มาเกิดอาการเป็เชียงเย็นเกินซึ่งมันก็มีอาการมากกว่านี้ได้นะครับแต่อาการเด็นอย่างจะเป็นอย่างที่ผมว่านั้นนะครับ กนะารเคลื่อการเย็นเกินจะมีอะไรบ้างนั่เป็นจริงของเย็นมากเกินไปนะหน้าซีดตุ่มหรือแผลในช่องฝานด้านบนนะครับถ้าเป็นด้านบนแล้วก็เย็นเกินถ้ด้านล่างมันร้อนเกินนะตาแฉกขี้ตามากตามัวเซมหักมากแต่ไม่เหนียวนะสีใสนะหนักหัวหัวตื้อรินฝีปากนะลินฝีปากซีดขอบตาหนังตาบวมตึงนะครับเฉ่ชยชาเคลื่อนไหวชาชิดชา้า ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งกระปี้กระเป๋านะพวกเย็นมากๆพอเคลื่อนไหวพวกโอมันร้อนขึ้นงกระปี้กระเป๋าเลยสดชื่นเลยนะไออาการมักทุเราเมื่อถูกภาวะร้อนนะผิวหน้าบวมตึงแต่ไม่ร้อนนะเจ็บหน้าอกด้านขวานะหายใจไม่อิ่มท้องอืดจุกเสียดแ น, น่นะปัสสาวะสีใสปริมาณมากนะอุจจาระเหลวสีอ่อนนะมัดท้องเสียมือเท้ามึนชาเย็ น, ะยนนะสีสีกว่าปกตินะครับ หนาวสันตามร่างกายตกกระขาวมักมีเชื้อรากระขานะครับตามผิวหนังหรือที่เล็บมือเล็บเท้าเล็บยาวแคบกว่าปกติคือมีความยาวของเล็บเนี่ยมันมากกว่าความกว้างนะครับ ตัวเล็บแล้วก็ขนเล็บมีสีขาวซีดกินพื้นที่มากเกินปกติเท้าบวมเย็นเป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลเราให้พบจีนเย็นมากๆมากๆมันมาเกะออกจากกันตรงนี้มาเราก็เก็บเป็นสถิติได้นะยังมีกว่นี้อีก น, นะแต่ว่าเอาลัดได้ขนาดนี้ก่อนใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปหาหนังสืออ่านเอามิตแค่ทุกเรื่องนะผเขียนมาตอนเกินเย็นเกินคราวนี้เนี่ยนะ เมื่อมีอาการเย็นเกิดยงนี้ปุ notes, ๊กเนี่ยอะไรที่กินเข้าไปแล้วะอะไรที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยทําให้อาการเหล่านี้มันลดลงสิ่งนั้นแหละมีริดลอนนะครับเราก็จะได้อ๋อเห็นแล้นมีริดลอนเราก็จำเอาไว้สิเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จดเปนขึ้นเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับเอาละนะดนะทีนี้ก็มาดูว่าอะไรนะที่เรากินเข้าไปแล้วปากคอแห้งนิดนึงเหนียวปากเหนียวคอปากคอแห้งกระหายน้ํา พอดื่มน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นอันนั้นแหละมีวิรามน อ, อะอย่างเช่นสมมุตินะมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยกินมะขามป้อมไปเยอะเวลาดื่มน้ำเป็นไงหวานใช่ไหมอร่อยเพราะมะขามป้อมมันมีวิตามินซีเยอะมันเย็นไอ้มันร้อนมันร้อนมะขามป้อมเนี่ยมันร้อนวิตามินซีเยอะมันร้อน เอมันร้อนมากหร่างกายก็บอกเออน้ามาเลยเออน้ำมาเร็ ว, น, วน้ำมาดับไฟจะดีนะดกินประับปอมเยอะเกินไปแล้วเอาน้ามาดับไฟเขาตั้งกน้ามาดับไฟให้มันสนมุลนะ่มาทาความสมดลงงั้นเนะ<ด>ขาก็เลยสั่งระบบประสานให้พอเจอน้ำน้ำทความรู้สึกสดชื่ น, ะนะนะหรือน้ำตื้นงนะเนีาความรู้สึกสดชื่นดูดิงนะครับมันจะรู้สึกหวานหรือเวลาเรากินเ อ, อเากินเครื่อเข้าไปมากๆเครือนี่คินมากๆก็มันร้อนแต่หายน้ำไหมเแห้งไห กายน้ำคอแห้งพอดื่มน้ำจะรู้สึกสบายขึ้นไหมก็สบายขึ้นใช่ไหมกินพริกมากๆเนี่ยอยากกินน้ำไหมอยากกินน้ำพอกินน้ำสบายขึ้นไหมสบายขึ้นผพกินพริกมันมานี่ร้อนกินอาหารมันมากๆเนี่ยนะขอแห้งไหมคอแห่กายน้ำกินน้ำจะสบายขึ้นไหมสบายขึ้นอันั่นแหละไอ้พวกเราเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนพราเไปดูกินอะไรเข้าไปแล้วให้มันปากคอแห้ง เราพออยู่น้ำเรารู้สึกสดชืนขึ้นสบายขึ้นไอ้ตัวนั่นแหละมีฤทธิ์ร้อนนะครับพอรู้ว่าตัวนี้มีฤทธิ์ร้อนเราไปนักสังเกตเลยที่นี่กินเข้าไปให้เยอะๆเลยนะกินเข้าไปเยอะเลยขนมปังอย่างนี้ร้อนอะไรกินเยอะเลยนะอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆมากๆมากๆมากพอกินเข้าไปมากๆปุ๊บนะจนเกิดอาการไม่สบายขึ้นอาการไม่สบายทั้งหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าอาการร้อนเกินมีอะไรบ้างอาการร้อนเกิดเราจะนให้ฟังเลยครับ อาการร้อนเกินอาการร้อนเกินก็จะมีตาแดงตาแห้งน้ำตาแห้งขอ้อด้วยตาอุดตันแสบตาปวดตาตามัวขี้ตาข้นเหนียวหรือไม่ค่อยมีขี้ตาเป็นต้อชนิดตันตนะมีสิวฟ้าตุ่มแผลในช่องปากนะเป็นสิวฟ้ามีตุ่มแผลในช่องปากด้านล่างนะครับจมูกานล่างนะออกร้อนในช่องปาก เกือ ก, กเสพปวดฟันฟันผุหอบหืดนอนต้นสะอึกปากคอแห้งดิ้นสีปากดิ้นที่ปากแห้งแตกกันขุยผมร่วงผมงอกก่อนไวัยรังแครูขุ้มขนขยายไข้ขึ้นปวดศีรษะ ต, ตัวร้อนขันเนื้อขันตัวปวดตึงตามเนื้อตัวอ่อนเปียเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอยแตกใต้ผิวหนังรอยจ้ำเขียวคม ปวดบวมแดงร้อนตามร่างกายหรือตามข้อข้ามเนื้อตึงเป็งค้างกวดเจ็บเป็นตะคริวนะผิวหนังทิ่ปกติคลายรอยไหมนะครับเกิดฝีน้องน้ำเหลืองเสียตามร่างกายติดเชื้อตามอาวัยวะต่างๆนะตกตะกับสีน้ำตาลหรือสีดำตามร่างกายท้องผูกปวดกระลักแข็งหรือเป็นก้อนเล็กๆคลายขี้แพกอสภาวะปริมาณน้อยสีเข้มนะ ดูดูดีๆนะมันจะปริมาณออกนี่เบียวสีเข้มนะเข้มจรดียวลังนะไข่เข้มมากๆนะร้อนมากไขคข้นไข่เข้มมากร้อนมากแสบขัดนะปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อหรือมีเลือดมักลุกปัสสาวะช่วงเข้ามคืนถึงปีสองออก้อนท้องแสบท้องปวดท้องผิวหนังอักเสบฟืนปืนป้นแดงคันมีตุ่มใสหรือขุ่นเริ่มงูสวัสด์สะเก็ดเงินโรคหนังแข็ง หายใจร้อนไอเสมหกเหนียวข้วนขาวขุ่นสีเหลืองหรือสีเขียวเต็มหหพันคอเลือดกำเดาออกายกแขนขึ้นไม่สุดหาลาติดเล็บมือเล็บเท้าขวางสั้นขุกฉีกง่ายมีสีน้ำตาลหรือดำคมอาเกเสนบวมแดงที่ขนเล็กเล็บขบหน้ามืดเป็นลมวิงเวียนป้านหมุนขึ้นใส่อาเจียน เจ็บเหมือนมีเข็มแทงหรือไฟฟ้าช็อตหรือออกย้อนเหมือนไฟเผาตามร่างกายนะเจ็บซายลิ้นเจ็บแสบที่หน้า อ, อกเจ็บร้าวไปที่แขนเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งนิ้วมากนิ้วบ่อยหูอื้อตาลายลมออกหูหูตึงได้ยินเสียงแตกๆในหูน้ำในหูไม่เท่ากันส้นเท้าแตกส้นเท้าอักเสบเจ็บส้นเท้ารองช้าออกร้อนกล้ามเนื้อกระตุกเป็นชัก คิดจังแรงสัตว์กระต่อยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คืออาการยกตก็อย่างอาการในภาวะร้อนเกิดหรือเราจะจำ ง, ง่ายก็คือพวกปวดบวมแดงร้อนผื่นคันแสบอันนี้นะครับจะเป็นอาการร้อนเกิดตึงแข็งอะไรพวกนี้มันจะออกมาทางร้อนนะฮะโอเคนะฮะ เมื่อเราจดได้ม า, มากมากเข้าโอ้เวลากินในพวร้อนเข้าไปพวกนี้นะมันจะเกิดนี้ขึ้นหรืออาการอันนี้เป็นหนักกว่าเดิมมาแล้ว<ช>อาการที่มีอยู่กินแล้วก็มัแล้วหนักกว่าเดิมอะอาการรอ้อนตรงนี้หนักกว่าเดิมอีกเราเขารู้แล้วว่าเฮ้ยกินในพวกนี้เข้าไปมันมันร้อนเนี่ยเราอาการหนักไปกว่าเดิมเนี่ยแปลว่ามันร้อนโอเคนะครับเราก็จดคอนเทนตไว้เราก็จะได้แล้วได้ได ความไม่ดีเป็นแท็บแลเนี่ยความไม่ดีเป็นนักเรียนสารเลยเนี่ยความไม่ดีเป็นแท็บเลยทำแบบนี้แหละเก็บข้อมูลแล้วเป็นนักเรียนสารเลยแล้วใครจะมาเถียงเราไม่ได้เถียงได้ไม่ใชหัวเขาเขาอยากเถียงก็เถียงไปแต่ว่าเราจะเข้าใจตัวเราเองเราจะเข้าใจตัวเราเองว่าเรารู้สนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้ากินอะไรเข้าไปอาการเหล่านี้มันลดลงอาการเหล่านี้มันลดลงแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็นนะครับสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็นเราก็จะได้ตัวร้อนตัวเย็นมาครับนี่ก็คือตัวร้อนตัวเย็น แต่ว่ามันจะมีบางครั้งนะที่มันร้อนตีกับเป็นเย็นเย็นตีกับเป็นร้อนหรือว่ามันทันพร้อมกันมันจะมีอาการบางอย่างทั้งร้อนทั้งเย็นจะขึ้นพร้อมกันเลยนะครับอันนั้นก็จะมีได้เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมพบเนี่ยอะีรผมพบตอนนี้ก็คือว่า80เปอร์เซ็นตะครับ80เปอร์ซนต์ใคนจะป่วยได้เพราะว่าร้อนเกิน15เอร์เนี่ยจะมีทั้งร้อนทั้งเย็นแทรกพร้อมกันเช่นไข้สูงแต่หนาวสั่นไข้สูงก็คือร้อนหนาวสั่นก็คือเย็นเนี่ยบางทีมันก็มีแทรพร้อมกันเหมือนก หรือปวดศีรษะมีท้องอืดเ น, น, นี่ยนะครับก็ได้ปวดศีรษาท้องอืด น, นะแอ้พวกนี้จะปร ะ, ประมาณสิบ้าเปเซ็นนี่ยจะมีพันกันนะจะเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งการแก้ยัะไม่เหมือนกันนะ ได้อีกประมาณห้าเอร์เซ็นตะครับอีกประมาณ5้าเป็นต์นี่เป็นเพราะว่าเย็นเกิน <Yeah. S 1> มีเมือนาัมีเพราะยเย็นเกินแต่คนไข้ที่ผมเล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจนะครับคนไข้ที่เป็นอัมาพาตซึ่งซี่งเนี่ยที่เราให้ฟังเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ปรากฏว่าเขามาเดี่โอ้ร้อนมากเลยเขาควบคุมร่างกายร้อนตัวร้อนนะครับสิบวันนั้นเองเขาตั้งใจถอนพิษร้อนดีมากเลยนะทั้งทั้งวีทั้งวันมาถอนพิษร้อนดีมากเลยนะ ดีมากจนโอ้ยอย่างที่ว่านะมือกำรรได้อะไรได้เดินได้นะเสร็จแล้วเขาก็งคงทามากไปนะหนาวสั่นข้างใงเลยนะกระตุกเลยกนระตุกก็ต้องกลับมาหมดแรงอย่ยางเงี้ย่เปนเรื่องกำได้เริ่มตั้งหได้แล้วในวันที่หนาวสัน่นรู้สึกหนาวข้างในแล้วก็เริ่มกระตุกเนี่ยเขาดูแก ว, ว่ามีภาวะเย็นเกินนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นหนาวสั่นแล้วก็เริ่มกระตุกมีพวาวะเย็นเกินแต่ขเขาโทรหาผมไม่ได้โทรหาลูกศิษย์ได้โทรหาลูกศิษย์ที่เป็นพยาบาลอยู่ที่สศรรสิทศิ์ที่ประสงค์ โรงพยาบาลซัมกัสิเขาก็เลยบอกให้เอาขิงต้มให้กินทันทีที่ต้มขิงก็กินน้ำส้มข้ก็ดีขึ้นทันทีดีขึ้นทันทีเลยนะเพราะว่าคือเขาถอนพิษร้อนสิบกว่าวันถอนแบบเต็มที่แล้วมันมันโตไปทางเย็นเนี่ยซึ่งปกติไม่ค่อยเจอง่ายๆนะปกตินะหกเดือนยังไม่ค่อยเย็นเลยนะปีหนึ่งไม่ค่ยเย็นเลยเนะลยหลายคนนะแต่ก็แค่คนนี้ตั้งใจมากเลยแล้วทำอย่างดีเลยนะตั้งใจมากแล้วทันี้กินเล้วคงนิ่งนะอ่ะคสงบด้วยนะ หยดนิ่งที่สงบมาแป๊บเดียวโอซิโกวันลงเย็ยนจนเดินได้คิดหรือเป่าเป็นไปได้ยังไงตอนที่ตอนเดืนเดิอนที่ผ่านมาเดินไม่ได้รักษากระหมอไมไปปัจจุบันเดินไม่ได้เป็นเดินไม่ได้เป็นเดือนละพอปฏิบัติอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยร่างกายเขาบอกดีวันดีคืนเลยนะซิโกวันเริ่มเดินได้มีกําลังแสดงว่าเขบปฏิบัติแล้ยังมีประสิทธิภาพสูงอะ่ะแต่แล้วคงทําพอพอทํามากไปเย็ยนเกิน นี่เราไม่ตายตัวนะจะบอกให้ไอร้อนเย็นมันไม่ใช่จะตายตัวนะไม่ได้หมายความว่าโอ้จะต้องกินอย่างนี้ตลอดตลอ ด, ตลอดนะเนี่ยมันมันจะต้องมีตัวตัดอยู่เหมือนกันนะครับยังยังสมมุตินะเล่านี้ฟังนิดหนึงก็ได้พอพอเราจะได้เข้าใจเรื่องอาหารร้อนอาหารเย็นไม่ใช่หมายความว่าจะต้องกินอาหารสูตรนี้ไปตลอดนะ อาหารสูตรนี้ในเรื่องับร้อนตับเย็นเอาละอย่างน้อยเราได้เราได้องค์ครู้นี้มาแล้วนะแต่ผมยังไม่อ่านผักร้อนผักเย็นวิธีปรุงให้ร้อนให้เย็นนะมันมีเข้ามาเลยนะผักบางอย่างมันก็ร้อนผัดบางอย่างมันก็เย็นนะอันนี้ต้องแยกให้ออกแยกไม่ออกมาเจ๊งเลยนะไปไม่ร้อนเลยนี่ก็ต้อตงพักสุดไปไม่รอดตออะไรรู้ไหมรดเนือเพิ่มผักรถไว้มันเค็มมันดีแล้วถูกแล้วแต่ผักที่เพิ่มส่วนใหญ่เพิ่มผักร้อนนะะั่นนั้นในยุคนี้เป็นยุคร้อน ร้อนจากความเครียดร้อนจากอาหารเป็นพิษสารพิษสารเคมีมลพิษต่างๆสารพัดเรื่องเลยมันยุบร้อนโลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นปุ๊บบ อ, อกลดเนื้อเพิ่มผักคนก็ไปเพิ่มคานาไปเพิ่มกะหล่ำปีปเพิ่มแคร์ร้อนไปเพิ่มตัวผักยาวอย่างี่นะไปเพิ่มผักทองแก่เนี่ยเพิ่มไปเยอะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นความดันขึ้นมะเร็งขึง้นหัวข้อัวเท้าขึ้นอะไรโรคมันระ้อกขึ้นหมดแหละคุณพ่อไม่ตกใจแต่เจ๊งนะ นี่คอวามไม่รู้ผมก็มรู้จะช่กนกระจนไงนะนก็คุณ ก, ก็แบกโลกเอาไปแล้วกันแค่ได้แบกแล้วกันเราไม่แบกคุณเราไม่เราไม่แบกเราไม่แบกา ค, คุณเราไปจากแบกแบก็แบกไปเขาไม่รู้เรื่องนอนเรื่องเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่ันไปเราจะเลิกสิ้นเรื่องนเ อ, งรอนเรื่องเย็นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะกินในตัวเย็นตลอดนะแม้แม้ยุคนี้โลกส่วนใหญ่จะนอนกระตัน ในข้าวลีจะร้อก็ตั้งเอาเราด้วส่วนใหญ่เวลาคนมาในข่ายปุ๊บผมจะพาล้างพิษร้อนนะจะให้กินอาหารรีเย็นเพราะว่าอย่างน้อยผมเชื่อว่าคนั้นเจอความเครียดมาบ้างหรือใครไม่มีความเครียดเลยในะชีวิตไม่ได้ก็ต้องมีบ้างนะเนาะผมว่านะเครียดมันก็ทำให้ร้อนอันนี้หลานผลิตพลังงานเกินพอดีก็เผ า, าเราก็าต้องร้อนอนะ่ะ ผมไม่ว่าเลยว่าเจอขอเปียกหใครไม่เจอสารพิษสารเคมี้งนอาหารคือเคเจออะไนะอ้อาหารนองไรสารพิษตลอดเลยไม่เจอสารพิษารเคมีเลยผมว่าจ้งเจอบ้างแล้วมีสารพิษสารเคมีอ่เียบใช่หอ้า <laughs> ต่อให้คุณกินไรสารพิษอ่นใครไม่กินทองใครไม่กินองแก่ใครไม่กินตัวยาวไหนใครไม่กินออกคะไห น, ใ ค, ไ น, นใครไม่กินกระหล่ ในายใครไม่กินพริกขิงขาาใครกะเพาหวละพาในายใครไม่กินช่ออมั่ง ใ, ใครไม่กินหน่อไม้มังนาย ใ, ใครไม่กินตะคูในายใครไม่กินข้าวดำข้าวแดง ไหนใครจมกินเหนียวมั่งไหนใครไม่กินผักเรียงมั่งไรไนใครไม่กินมะ ม, ม่วงเด่อมั่งมะม่วงสุกนะไหนใครไม่กินงอกไปกินลำไหญ่ไม่กินมะม่วงุ ก, กง <c oughs> ท่านนั่นแหละนะก็ซัดในพวกนี้มาทา น, นั่นแหลนะเนื้ออาหารหาเรานี่อาหารนะรา้รนอนท่านนั่นแหลนะก็กินท่นนั่นเลยนะอาหารร้อนไหนะใครไมกินกล้วยแขกนะั่น โอ้าำลังกินมากเลยนะนั ก, กินอะไรที่มีพิษมีเจไหนใครไม่กินไก่ในฟาร์มก็มันงไม่กินปลาสีพีก็ไม่กินปลาในฟาร์มไม่กินไก่ในฟาร์มไม่กินหมูในฟาร์มมั่งใช่ไมต้องรับมาทั้นั้นแหละงก็จะไปกินในพเนี้ยเคยมีเต็มขนาล ใชมันเยอะเคมีเต็มอะไรเงี้ยหรือแม้เพื่อผ่านว่าเพิ่จะต้องรู้กินในของร้อนบ้างแหละผมว่านะหรือนี่แหละกนะารปรุงนี่ก็หลายเรื่องอ่ะเราเองเรื่องการปรุงเนี่ยยิ่งถ้าใช้ไฟแรงคุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความร้อนขึ้นแล้วผมเชื่อว่าหลายหายคนเคงไม่ได้ไปส่วนใหญ่ซื้อกับข้าวชาวบ้านกินเนะอ้งชาวบ้านที่แม่ค้าที่เขาขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ไฟกลางไม่ใช้ไฟแรง ไม่ใช้ไปแรงใช่ไหมเพื่อที่จะให้ได้ทันขายใช่ไหมแล้วไฟแรนดมื่อไหรก็ไปความล้อนจะเข้าไฟฝังขึ้นมากแล้วคนกินยังไม่สบายจะสาดสมงองร้อนมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกเอาละผมก็รู้ว่าเอ๊ยเด็กมักร้อนมาแหละนะไม่ค่อยมีใครงีบบนควมเครียดหรอกไม่เคยมีใครงีบบนอาหารที่มีพิษอย่างที่ว่านี้แล้วมีใครไม่โดนมลพิษบ้างไหมใครไม่โดนขึ้นโทรศัพท์เลยในชีวิตโดนมากแล้วผมมาขึ้นโทรศัพท์ร้อนร้ายนะ อยู่กับคอมพิวเตอร์มากหล่าชีวิตคุง่งาบางคนบอกว่าฉนชาวนาป็นชาวนานคนคอมพิวเตอร์เอ้ามนเป็นไรคนี่ไม่อยู่คอมิวคนที่อยู่คอมพิวเตอร์ก็โดนที่คอมพิวเตอร์คนที่เป็นชาวนาเอ้าคุณก็ต้องโดนคลื่นโทรศัพท์ก็โทรหาแั่บ้างแหละคุณหลบได้หรเคื่อโทรศัพท์ก็โทรหาัต่ลงไปได้เรอไหนใครไม่โดนมลพิษอากาศพิษบ้างไม่ไม่เจอันรถั้งมีหราคุณโดนบ้างแหละใช่ห บางคนก็จะมีมลพิษมาบ้างทั้งนั้นแหละและ้วแล้วใครไม่อยู่ในโลกใบนี้ที่มันร้อนขึ้นไนะนใครไม่อยู่ในโลกที่มันร้อนไ <c oughs> อ้ยีนนั้นมาในความร้อนของโลก น, ะนี่ไม่ร้อนหรอกพลังงานเหล่านี้มันฝังไว้ในตัวเรามันก็ต้อร้อนบ้างแหละผมว่านะก็เลยให้อัดถอนที่ร้อนก่อนดีกว่าแล้บางคนจะมีเย็นแทรกบ้างอะไรบ้างคอยว่ากันกนะ็จะพาถอนที่ร้อนเป็นหลังไว้เอาถอนที่ร้อนไปก่อนถึงรอบหนึ่งนะมันจะเย็นเกินฟันไว้ <c oughs> ถึงรอบหนึ่งอีก ว่อยๆแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยบางคนอย่างลุงที่ว่าเดี๋ยวโหสิบกว่าันเย็นเนี่ยหายากมากเลยนะแทบจะไม่เจอแล้วน้อยมากเลยนะสิกววันแล้วทําให้เย็นได้บางคนหเดือนยังไม่ออมเย็นเลยปีนึงไม่ยอมเย็นเลยนะ้ำนะกินนี่นไปแต่บางคนก็เรียน2อเดือนกันแล้วแต่นะแต่มันจะมนะีอาการเย็นเกินมันจะเริ่มต้นจากกําลังตกนะเย็นเกินพว ก, กําลังตกแล้วเกิดอาการเย็นเกินที่ผมว่ามาเมื่อกี้นี่แหละนะมือเย็นเท้าเย็นหนาวสัน่นะท้องอืดมัวนตื้ออะไรเงี้ยนะ มันชาตามร่างกายอดไรต่างเนี่ยมันจะมีภาวะเย็นเกินพอกี้เข้ามาอะไรนี่แล้วก็เย็นเกินเย็นเกินปุ๊บเราก็ติมนวามร้อนกข้ไปมันไม่ได้ยากอะไรฟังให้ดีนะ้วเราจะเข้าใจว่าโอ้มันไม่เที่ยงพัตัว น, นี้ให้ชัดเพราะงั้นถ้าไม่ชัดโรคมันจะไม่หายนะคุณจะหายเฉพาะในไข้แต่แล้วออกไปคุณก็จะไม่หายเพราะว่าเวลาเย็นเกินมีนทําไม่เป็นมันต้องปรตลอดชีวิตนะ เอาระพอมันเย็นเกินปุ๊บเนี่ยนะมันออกอาการเย็นเกินมาแล้วออกการกบันตกมาผมก็เติมตัวร้อนเข้าไปในปริมาณที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังชีวิตเต็มที่สุดก็จะเติมไปพวกร้อนเข้าไปนะครับพอเติมร้อ น, น, น, น, น, น, นเข้าไปให้มีพลังชีวิตเต็มที่สุดนะนานเข้านั้นเข้ามันจะร้อนเกินนั้นานเข้ามันจะร้อนเกินเริ่มต้นด้วยกบันตกแล้วตามมาด้วยอาการร้นอนเกินเพียบปวดบวมแดงร้อนตึงแข็ง เกิดคันท้องอะไรแสบหูแสบตาอะไรเงี้ยนะเหมือนเข็มจี้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะมีอาการต่างๆจากภาวะร้อนเกิดขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้ววันส่งไปทางร้อนเยือนเราก็ลดของร้อนลงแล้วก็กินอาหารล้างคิดร้อนหรือถอนคลิปร้อนออกถ้าต้องทำอย่างเงี้ยนานก็นานแ้าเดี๋ยวมันก็เย็นเกินเย็นเกินก็ต้องฝักขึ้นไปเอาความร้อนเกินรู้เรื่องฝักออมา ปรับขึ้นปรับลงเหมือเงี้ยนะครับปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงอย่างเงี้ยตอนนั้นข้าวเข้าวเนี่นาายนะบางทีเนี่ยมันก็ต้องไปกินสิ่งที่เป็นพิษบ้างด้วยความที่หนึ่งคุณอดไม่ได้นะอยากจะกิน <c oughs> คุณก็ต้องไปกินสิ่งที่เป็นพิษบ้างหรือขอให้คุณอดได้นะคุณก็คุณก็ต้องไปกินสิ่งที่เป็นพิษบ้างอยู่ดีเพื่อให้ร่างกายได้ดดสุดอดทนต่อพิษและได้สุดขับพิษเพื่อให้เกิดภูมิัญหาขึ้นมันจะมีองค์ประกอบของมันที่จะต้องไปกินสิ่งที่เป็นพิษบ้างด มัได้เด็แข่งรงอ่พอราเกินพิดชักจะมากเกินไปแล้วชักจะไม่ค่อยสบายแล้วุณก็ต้องมาล้างพิษล้พิดตัวมันเย็นเกินกูก็ต้องก็ต้องฝ่าให้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นพอมันร้อนเกินก็ต้องฝ่าให้มันเย็นลงก็ทากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินพิษบ้างมันีมันอดไม่ได้ก็ไปกินบ้าง่งงี้กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปกินอะไรเย็นเกินตลอดมันก็ไม่ได้จะไปกินอะไรร้อนเกินตลอดมันก็ไม่ได้จะไปกินพิษตลอดมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ขนาดั้นเลยเราจะตดได้ดว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถรือมั่นจะไม่ทุกข์กันได้มีแต่เราต้องรู้จักยึดอาศัยว่าณนะตอนนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจะยึดอาศัยอะไรที่เรารู้สึกสบายที่สุดมีพลังชีวิตสูงสุดซึ่งเมื่อเราปรับว่าตัดเย็นอย่างเงี้เนี่ยอะไรจนะเป็นตัวชี้วัดอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราตับได้สมดุลร้อนเย็นอันนี้สำคัญ เพราะหลายคนเนี่พอเรื่องที่ว่ามันอิี้หนึ่มันจะไม่ตายตัวนะในปากนี่แล้วถ้าไม่สมดุลเกิดโรคไปทุกโรคนะครับถ้าไม่สมดุลเกิดโรคไปทุกโรคเพราะนี้มันสาคัญเพรากแค่ปรับร้อนเยนี่ยจึงเป็นเทคนิคที่สําคัญที่เราจะต้องเรียน ร, คครู้ต่อให้เราเป็นมาหวานมาความดันมาอะไรมาตอนนี้นะหรือเป็นโรคอะไรมาก็แล้วแต่เราปรับจนมันหายเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดสภาพเย็นเกินนะแล้วเราไม่แก้โรคอีกอันหนึ่งมันจะเกิด ข, ขึ้นอีกโรคสรารพัดโรคกเกิดขึ้นได้อีกบางทีเป็นโรคเก่าด้วยซ้ำ ตอนนี้เป็นโรคเก่าด้วยครับการมาเกิดได้อีกด้วยครับนะครับแต่เป็นโรคเก่าที่เป็นสาเหตุแต่เย็นเกินก็ได้นะจะเป็นโรคเดิมด้วยครับก็ได้เพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องรู้จักวิธีกลับันเนี้ยแตในเบื้องต้นเราล้างคิดไปก่อนลางพิษไปก่อนนะครับแล้วค่ารวมโรคที่มันร้อนขึ้นเนี่ยโรคที่มันร้อนขึ้นค่ารวมก็คือเราต้องทำให้มันเย็นไว้ก่อนทำให้มันเย็นไว้ก่อนทำไมมันร้อนไม่ได้มันเอาเราตายเอาเราไปดูข้าจากไปนะที่พี่ยอดตัดทีนี้ผมพูดอะไรที่ขอให้เนี่ยมองเห็นภาพาจะได้มองเห็นภาพ พระพุทธเจ้าก็ตัดไปว่าจิตใจจะจำใส่ในท่างกายที่แข็งแรงแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องร่างกายมาก่อนแล้วร <n> ู้เรื่องร่างกายมาก่อนแล้วนี่ท่านถึงบอกว่าเมื่อคนทำร่างกายแข็งแรงนะ้านท่านถึงบอกว่าทำร่างกายแข็งแรงก็คือนั่นแหละรับสมุูรณร้อนเย็นนั่นแหละทำแข็งแรงถ้าท่านต้รู้ว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจจะจำใส่ทาสุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องเรียนรู้เมรางั้น่าตัดได้ยังไง เรียนู้ว่าทำเงินมันจะแข็งแรงถ้านั่เรียนรู้นั่ตัดไม่ได้หรอกนะฉันกตรู้มาก่อนว่าทำเงิมันจะแข็งแรงฉันก็ตัดไว้วันหนึ่ง น, นั้นก็คือการตับสมุนไอนเย็นแล้วท่านก็ตัดไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกและจิตวิญญาณเป็นประทานของสิ่งทั้งมวลสาคัญมากเลยนะครับอาหารและจิตใจนั้นมีผลมากที่สุดนะครับต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับรวมยังมีผลต่อสุขภาพมากที่สุดด้วย เพร้นถ้าเราปรับสมดุลได้ถูกเราจะแข็งแรงได้เร็วปรับร่างกายปรับจิตใจได้ดีนะ่าจะแข็งแรงเร็วแต่ถ้าปรับได้ไม่ดีนะแข็งแรงช้ามากลำบากมากเลยเพราะอันนี้มีผลใหญ่ที่สุดเป็นหนึ่งในโลกกลาเป็นประธานเพราะงั้นเราต้องหมายไว้ให้ดีๆนะอาหารเรากินจิตวิญญาณอาหารที่มันสมดุลถูกต้องจิตวิญญาณที่มันเปิดฟานแจ่มใสพราสุดอันนี้สำคัญสำคัญมากๆครับจิตวิญญาณป็นไม่พิถสพรม มัชชิมาปฏิปทาความสมดุลความพอดีความเป็นการนะครับเป็นทางเอกสายเดียวที่ผ่าปนทุกขรนเจ้าตัดไว้อย่างงี้นะครับเอเสว่ามัคโคท่านโยท่านตัดไว้อย่างนี้เลยนะทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะผาาปนทุกข์เปี้ยงเลานะท่านบอกเนี่ยมัชชิมานี่แหละทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะผ่าปนทุกข์ฟังไปดีนะครับเพราะฉะนั้นความสมดุลเป็นตัวเดียวที่แก้โรคได้ดีที่สุดแก้โรคอย่างต้นเหตุคือความสมดุลนะครับ ยาหรือที่ดีอยู่ครับเป็นยาระ ง, งับเท่านั้นไม่ใช่ยาดับโรคนะครับเป็นยาระ ง, งับเท่านั้นเองนะตัวระ ง, งับแท้คือมัชิมาตัวดับโรคแท้ๆคือมัชิมาเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปว่ามันเป็นยังไงนะความพ้นทุกนะครับเนี่ยสภาพสมารเจา็บปวดเราต้องปรับสมดุลให้ได้ความสมดุลพอดีเป็นกลางหลักอศายุสัตสีนะครับเนี่ยทุกความไม่สบายกายความไม่สบายใจ สมุทัยเห็นอยู่ที่ไหนคุณเจ้าเปี้ยนไปเลยนะจริงๆนะคุณเจ้าตัดไปเลยว่าทุกเกิดจากความไม่สมดุลขั้งแรกที่นักเทศกับพระเจ้าวิคิขั้งหน้านะครับทุกเกิดจากความไม่สมดุลแล้ววิธีดับทุกก็คือมัชชิมาคือทำความสมดุลนั่นแหลน ะ, ะนี่โรดก็คือสภาพกับทุกก็คือความสบายกายความสบายใจทําได้ถูกไม่ต้องร่างกายสบายขึ้นจิตใจสบายขึ้นนะครับมากนะครับมัชเนี่ยการปฏิบัติเพื่อการดับทุก ทำไงถ้าความสมดุลนี่คือมันทำความสมดุนแล้วมันจะดับทุกได้ถ้าคํานี้น ะ, ะคําตัดนี้นีอย่ า, อยาลองลองมาดูคําตัดมีของบุรุษเจ้านะครับซึ่งสําคัญมากเลยเนะจะทําให้เราไปไขรหัสได้แม่นได้ถูกนะครับเราจะเอาทุกอันมาร้อยกันผมในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าจัตตาริสูตรข้อสองร้อยแปดสิบเอ็ดทุเจ้าตอบเลยว่า น, นะครับดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เรากล่าวทาของภิกษุภิกษุคือผู้ปฏิบัติเพื่อการควรทุกข์นะครับซึ่งเป็นผู้สันโดษยินดีในความมักน้อยอย่างพอเหมาะอยู่เสมอด้วยปัจจัยสิ่งจำเป็นในการยังชีพที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษฟังตรงนี้ดีๆนะครับเนี่ยผมขีดเส้นใต้ไว้เลยตัวแดงกัเลยนะหาได้ง่ายและไม่มีโทษว่าเป็นองค์องคุณองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะ คำนั้แปลว่าผู้สน well, ุกจาดทุกผู้พ้ทุกแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคุณเจ้าพ้พบว่าผู้ที่จะพ้นทุกได้อย่างแท้จริงนั้นนะครับความเจ็บซึ่งความจะบปวดก็คือความทุกข์ประการหนึ่งนะครับต้องใช้สิ่งจําเป็นในการยันชีพที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนะครับดังนั้นวิธีการที่ประหยัดเรียบง่ายจึงเป็นคําตอบของการพ้นทุกฟังตรงนี้ดีๆนะครับวิธีการที่ประหยัดเรียบง่ายจึงเป็นคําตอบของการพ้นทุก พระองท่านทรงค้นพบ ว, ว่าการดับทุกข์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายอยู่ในตัวหรืออยู่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งดับทุกข์ที่แท้จริงแล้วจะไม่ไกลตัวเราการที่เราจะแก้ปัญหาสุขภาพเนี่ยถ้าใครชัดตรงนี้เนี่ยจะไม่ไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวมาแก้ปัญหาตัวเองเพราะสิ่งที่อยู่ไกลตัวไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหา แต่คนที่ชัดแล้วจะใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่อยู่ในตัวนั่นแหละ <kit> เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาเพราะถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวมันจะหาได้ง่ายไหมครับสิ่งที่อยู่ใกล้ไกลหาได้ง่ายไหมไม่ง่ายตรงกำลังพระเจ้าไหมถ้าอยู่ต้องไปเอาสิ่งไกลๆตัวนี่ตรงกำลังไหมไม่ตรงกำลังพระเจ้านะสิ่งที่หาได้ง่ายก็ต้องอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมื็ยอยู่ในตัวใช่ไหมนั่นแหละจะเป็นตัวที่ดับทุกได้ ตัวนี้จะเป็นโค้สที่สำคัญมากแต่ก่อนผมเลือกว่าโอ้โหต้องไปหาบริษัทยาที่เขาบริตยาดีๆเก่งๆนะมันถึงจะรักษาโรคได้นะหรือว่าต้องไปหายาที่อยู่ในภูเขาเหล่ากาไกลๆที่หันวานไปหาเอานะมันถึงจะดับทุกข์ได้ไอเราวางเขาไป่างนันนะสุดท้ายผมมาศึกษาของพระเจ้ามันบอกไม่ใช่ของนะไม่ใช่ไม่ใช่นะไอที่จะดับทุกข์ได้แ ท, แท้ๆจะมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ต้องหาได้ง่ายอยู่ใกล้ตัวคุณอยู่ในตัวคุณและไม่มีโทษเลนะตัดเลยนต้องเป็นสิงที่ไม่มีโทษ ฆาได้ง่ายและไม่มีโทษ น, นี่จะเป็นสิ่งที่ดับทุกข์ต้องไม่มีโทษด้วยแม้ความแพนก็เป็นโทษเชืช่ไหมย่าว่าจะผลข้างเคียง น, นะนะยาเองมีผลข้างเคียงไหมส่วนยายายเคมีมีผลข้างเคียงผลข้างเคียงเป็นโทษไหมเป็นโทษแต่ว่ายาไม่ใช่จีแก้ปัญหาทุกข์ของชีวิตไม่ใช่ตัวหลักในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเพราะมันมีโทษแต่คุณเจ้าบอกตัวดับทุกข์ต้องไม่มีโทษแต่ยามันมีโทษอ่ะไปดูสิยาเคมีแทบทุกยี่ห้อมีโทษหมดเลย ก็ไปอ่านสิแปลว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาหรือพระเจ้าบอกตัวจะดับทุกได้ต้องไม่มีโทษหนึ่งมันมีผลข้างเคียงที่ทําให้เอาไว้ว่าเราซเสียยาแทบทุกตัว น, นะครับอันที่สองครับอันที่สองนี่ยาที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่แพงด้วยทูแพงความแพงเป็นโทษไหมแน่งความแพงก็เป็นโทษโทษต่ออะไรความเงินของเราทำให้เราจนไงใช่ไหมความแพงก็เป็นโทษมันแพงไะ มันเปรื่อนมันเป็นโทษของเงินของเราต่อเศรษฐกิจของเราเศรษฐกิจเรายนี่ยยอ่ทุามันแผงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องดับทุกได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่จะแก้ไขปัญหาได้ต้องหาได้ง่ายและไม่มีโทษก็แปลว่าอยู่ ใ, ใกล้ตัวอยู่ในตัวต้องไม่แพงด้วย <S <S <S เนี่ยเี่ยผมชอบเรืองนี้ต้องไม่แพงด้วย <N> จึงมาเป็นเหตุของเรื่องของการประหยัดเรียบง่ายหรือจะ่ัดเรื่องของประยักเรียบง่ายนี่คือนี่คือคำตัดที่พูดถึงความประหยัดเรียบง่ายนะเนี่ยหาได้ง่ายแล้วไม่มีโทษนี่แหละ แต่ว่าตัวอยางเรียบง่ายแปลว่าตัวอย่างเรียบง่ายนะครับนี่เคลดนี่คนนึกไม่ออกหรอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเขาลงทุนตั้งไปลงกี่หมื่นล้านนะแก้ปัญหา ย, ยังไม่ค่อยจะออกเลยยัไม่ค่อยจะได้เลยอันนี้อะไรนะจะมาหาสิ่งง่ายขั้นตัวแล้วแก้ปัญหาได้ให้จะมีเชื่อใช่ไหมใครยังไม่นึกออก <Su> ถ้าไม่ใช่เราแบบพระพุทธเจ้าวิคันึกออกเราผมก็นั้ไม่ออกผมก็นึไออ ก, กนไปเอาขพระพุทธเจ้ามาผมนึกหันกลับเข้ามาหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และออกมาแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วพบว่าแก้ไขปัญหาชีวิตได้นี่คือสิ่งมั่นจำนี่คือความมาั่นจำนะแล้วไปตรงกับที่ทีในลหลวงท่านตัดนะครับว่าการบริหารแบบคนจนนั้จะเป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาทุกของชีวิตเหมือนกั น, นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาทุกของชีวิตต้องบริหารแบบคนจนโอ้นื้สุดอยอดจริงไงไม่อย่างในลงหลวงท่านไม่กล้าตัดร้อท่านคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วของเราเลยนะโอ้ไม่อยากจะพูด กินข้าวแบเกลือเดี๋เดี๋ยววันหน้าพากินเยี่ยวอย่างไม่ต้องพูดมากตอนนี้เราคนตกใจนี้กับ่อนกินเยี่ยมหรอไม่บังคับหรอกไม่บังคับหรอกนะใครไม่กล้ากินก็เอาไว้ก่อนพาคนจะล้มตาลนี่จะเสียตังกี่บาทเห่นไหมอาดัดเนื้อดับตัวมากินข้าวกับเกลือพาเอาอะไรมาบอกๆทาดิแล้วๆๆๆๆค่อยๆรู้ไปนะเอาอะไรมาขุดๆก็แหม่ไปก็ไม่รู้นะ แล้วเมื่อไหลายไม้ที่ขูดมันจะหมดสักทีฮะเมืยไมหมดประหยัดไหมประหยัดรับรองเลยนะวิธีนี้ประหยัดที่สุดแล้วก็วิธีที่พามาคือวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเที่เราคนพบประหยัดที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วทำเองได้เนี่ยตรงนี้สำคัญครับโอเคนะครับนี่มันก็จะตรงกับสิ่งที่เขาแยกตัดมาเรื่อยๆนะแล้วเราพบว่าลดปัญหาได้ตั้งเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเอร์ซ็นวเามีหลักฐานให้พสูด้วยเนียที่มีหลักฐานให้ดูด้วยนะ คุณยังไม่ดูหลักฐานก็ได้เอฮิปัซิโกเชื่อเชื่อไ้ไหมพิสูจน์กันได้พิสดตวคุณเองเลยแล้วพระเจ้าขาเปี้ยงหแล้วนะอาการลิโกเป็นจริงตลอดการนาักเลงไหมนักเลงไสุดยอดนักเลงนงผมว่าพระเจตอนนี้ถ้าไม่ใช่นักเลงผมก็พูดเองงั้อย่างนั้นเหรอนะท่านแก้วกล้าฐานพูดว่านักเลครับผมคนอยาหาว่าหาว่ า, า, วาผมไปว่าพระเจ้าเป็นนักเลไม่นะใช่เหรอรท่านก้วกล้าานเป็นภาษาของนักเลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ความจริงเนี้ยคือเจตนาที่ชื่นชมท่านเจตนาเชิดชูชื่นชมเพราะว่าท่านเก้ากาัศร์เจ้าเนี่ยเก้ า, ากาอัศร์มากโ้แคนไม่แน่จริงไม่กล้าตัดคำนี้ไว้หรอคนไม่กล้าวาาตรงนี้อันนี้เรื่องของกายขันนะครับที่บริหารย่าท่านบอกเปรียบเหมือนแผลใหม่ต้องทา ย, อยาอยู่เสมอคือมันไม่เที่ยงต้องตัดอยู่ตลอดเวลานะอย่าไปคิดว่าต้องล็อกตัวใดตัวหนึ่งนะมันไม่เที่ยงต้องตัดตลอดเวลา อันนี้ของชีวะกรสูดของหมอชีวกเนี่ยก็พูดหลายๆอันของหมอชีวกจะพูดแต่เรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่นะผมก็ไปแบบเร็วๆนะเดี๋ยววันหน้าาจะเอามาเล่าใน้ังนคในชีวะกระสูดนี่หมอชีวกเนี่ยถมท่านพะเจ้าเรื่องนี่แหละหาเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ้าายสัตว์นี่แหละเนี่ยนี่หมอชีวกกันน่นแหละเนี่ยหมอชีวกเนียนะ ไปถามพระเจ้าว่าเนี่ยไทําบาปได้บุญห้าเอะไรทาบุญได้บาปห้าประการบุเจะกระสอบมาได้บาเกี่ยวกับเรื่องเปรียบเทียบสัตว์นะหมอชีวกนี่จะถามพระเจ้าว่าเปรียบเทียบสัตว์มันจะเป็นบาปยป็นไงยังไงนะยังไงบ้านที่เป็นบาปอะไรเงี้ยบุญจะกระสอบมาถ้าเป็นหมอชีวกมันจะพูดเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์อะไรเยอะไปชีวประจุนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์เยอะเพียบเลย ก็เยอะเลยนะครับอย่างสิ่ข้อหนึ่งก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์นะหรือพระองคก็ตัดไว้ทำใดวินยายใดเป็นไปเพื่อควาเบียดเบียนทํำนั้นนี่นนั้นไม่ใช่ของเราเราคด่ี่ก็เป็นคําตัดพระเจ้าอันหนึ่งที่น่าสนใจว่าเออเป็นใครพระพรไม่เบียดเบียนนะวิมุตตินี่นะครับคล่อมหลุดพ้นนี่เป็นกำลังก็แสดง ว, ว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ก็การที่เราทําตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ทั้งกายทั้งใจมันจะเกิดกําลังขึ้นเพราะฉะนั้นตัวชีวัดอันหนึ่งนะครับที่ที่ ที่จะบ่งบอกว่าเราดีขึ้นมันจะมีกําลังขึ้นถ้าสุขภาพคนทุกคนจะมีกําลังขึ้นทั้งทางกายและทางใจการไม่เบียดเบียนเป็นสันติสุขในโลกนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คำตัดพระเจ้าเลยครับทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าเราควาเป็นของไม่เบียดเบียนเนี่ยควมเป็นเมตตาบารมีก็จะทําให้มีชีวิตที่ผาสุดยิ่งขึ้นนะครับในห้าวันในเจ็ดวันพวกเราเชื่อถ <ain> ึงเ้าไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆนะครับเพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสันติสุขนะครับก็จะไม่เบียดเบียนไม่กินสัต์ ส่วนท่านกลับไปก็แล้วแต่ท่านทำในจุดหนเรืยอย่องนั้แต่ในค่ายของเราเราก็จะทําให้เกิดสภาพที่เปยดพร้อมหาสุขที่สุดความดสุดที่สุดในชีวิตนะครับทั้งเราแล้วก็ทั้งคู่แต่พราะที่เราตัดไว้นะครับกุศลธรรมสามารถยังอกุศลธรรมให้เบาบาง ล, ลงได้นะครับดังนั้นการบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีก็จะช่วยให้อกุศล อาคุสรรถธรมความไม่ดีความเลวร้ายความเดือดร้อนทุนเราลงคนที่มาเลี้ข่ายเราจึงไม่ค่อยจะให้ได้อยู่เฉยๆในคนที่สามารถที่จ ะ, ะมีเรี่ยวมีแรงที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมเข้าออตัวกิจกรรมขัดห้งองน้ากิจกรรมเอ่อเด็ดผักกิจกรรมอะไ ร, านานาารต่างๆถูสราอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ได้บังเพ็ิหรือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนที่ข้างๆแบบนั้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดกุศลขึ้นจะได้ไปยั่งอาคุณสมรรถธรรมให้เบาบาง ก็ให้ทําประโยชน์จิตใจก็ชุ่มชื้นด้วยว่าชีวิตมีคุณค่าก็จะภาคภูมิใจเอโดซินก็หลังเลือขาวก็แข็งแรงเซลล์ก็แข็งแรงมันก็ขัดดัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งทั้งด้านกุณธรรมที่พระเจ้าท่านค้นพบนะก็จะเสริมให้เรามีแข็งแรงนี้ขึ้นหรือหลายคนหรือหลายคนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนีกลับมาเพื่ออะไรครับเพื่อบำเพ็ญต่อก็มีนะมีรุ่นพี่ของเราหลายหคนกลับมาอู้รุนแล้วรุนแล้วรุนเล้วรุนแล้วกลับมาเาไม่เพบต่อ กลับมาเนี่ยบางทีเขาก็ไปชวนเพื่อนไปบอกเพื่อนเขาก็กลับมาหาเพื่อนมาหาใ ห, ให้เพื่อนได้บุญหรือบางครั้งเขาไม่ได้ชวนเพื่อนมาเขาก็มาเองตัวเขาเพื่ออะไรครับอย่างไรเขาก็ได้บังเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีหนึ่งเขาก็ได้เป็นตัวอย่างของการของการปฏิบัติในการขึ่งตัว น, นั้นนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลนะครับหรือแม้ใคร ยังไปทำโน้นทำนี่ไม่ได้นะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติดูแลตัวเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองด้วยสิ่งที่เป็นกุศลอย่างที่ว่ามานี่นะสิ่งในแนวแทร์พิธพุทธประยัดเรียบง่ายนะครับก็ถือว่าเราเป็นตัวอย่างในการบาําเพ็ญกุศลนะครับเมื่อท่านเป็นตัวอย่างในการบาเพ็ญกุศลท่านก็ได้กุศลมันก็จะอย่างกุศลก็ทำให้เบาบางลงได้ด้วยหรือหลายท่านก็มาสะสมบุญบารมีเพิ่ม มาพุ๊บก็เดย น, นี่แหละมาช่วยครัวช่วยนั่นช่วยนี่นะก็มีสิท์เก่าวเวียนมานะครับเปียนมาช่วยอย่างโน้นอย่างนี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้นะครับเขาก็ได้บําเพ็ญกุศลนี่ครับต ร, ตรงนี้แหละมันเพืเ่อช่วยนะทำให้ความเจ็บป่วยหรือความเลวร้ายในชีวิตของเราลดน้อยลงนะครับช่วยควรจะตัดว่าช่วยให้ลดน้อยลงให้บาบางลงนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งในค่ายนะที่เราใช้กันอยู่นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นตัวความจริงครับเป็นการสะสมกุศลเพื่อไปสู้กับอกุศล ส่วนใครจะทําอะไรได้เท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ได้รักเอาว่าทุกคนต้องทําคนที่เจ็บป่วยก็ต้องดูแลตัวเองเจ็บป่วยดูแลตัวเองน่นแหะคือหน้าที่อันนั้นแหะคือกุศลสูงสุดแล้วใครเจ็บป่วยมากๆแล้วไปช่วยงานอื่นไม่ได้ก็ดูแลตัวเองไปนะครับส่วนใครที่พอแบ่งเวลาไปตรงนตรงนี้นได้แล้วก็ทําไปตามแรงของตัวเองซึ่งอย่าให้มากเกินไปมากเกินไปก็เป็นภัยน้อยเกินไปก็เป็นภัยนะไม่ดีพอดีพอดีสดชื่นสบายๆจะดีที่สุดแล้วแต่แต่ละคนแต่ละวันก็ไม่เท่ากัน นี่คือเรื่องของกูส่วนเราทำนเป็นเรื่องของตนอทันทนี้ก็เราไปฝันแล้วนะก็ไม่มีใครดับทุกให้เราได้น่าจะตัวเราเองหรือหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองหรือผู้ที่พึ่งตนเท่านั้นจึงจะพ้นทุกอย่างแท้จริงฟังรายลอียดเลยครับผู้ที่พึ่งตนเท่านั้นจึงจะพ้นทุกอย่างแท้จริงนะครับแล้ว ก, วก็ถ้าไม่ดับที่เหตุนะครับฟังกันดีนะครับถ้าไม่ดับที่เหตุสิ่งนั้นไม่จบจริง ไม่ดับที่เหตุทุกนั้นไม่จบจริงฟังไปแล้ววันหน้าท่านจะเข้าใจชัดขว่าถ้าท่านจิงยาอย่างเดียวนะท่านจะไม่มีวันหายจากโรคภายแค้เจ็ดรอบยกเว้นท่านปฏิบัติไปด้วยแต่ไม่ได้ตีทิงเรื่องยานะถ้าใครจะเป็นต้องกินไปด้วยต้กินไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายความเพิ่มเดี๋ยวสภาพผมาพูดเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวกลับมาจะจะขยายความเรื่องยานะหรือโอ้มันไปพอสมควรแล้วนี่มัน จ, จะห้ามมันเอา้าเดี๋ยวไปเอาไงดีเมื่อยังเมื่อยังเมื่อยแล้วใช่ไหม เมื่อแล้วพักก่อนดีกว่นนะาน้อแล้ค่อยกลับมาดูดูเรื่องยาด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องยาว่าจะต้องกินยาหรือไม่กินยาในค่ายอย่างไรนะเอาพักกันก่อนสัก15นาทีครับเราค่อยกลับมาเจอกันครับ